พระธรรมเทศนาแผนที่110รลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16รกรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าภาวนาตามแนวแถวอริยะเลิกพิธีกรรมพิธีกา ร, รได้แล้วนะ ครับต่อไปอรัตนาสินุบสถพร้อมกันนะครับมะยังพันเตติสระเนนัสหาทั้งคาสามนาคตังอุโปสาทังยาจามาตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะทำความเข้าใจกับคณะสัายาตโยมที่มาในวันนี้ เพราะว่าศีลวันนี้เป็นศีลสตาร์ทใหม่เรียกว่าศีลเริ่มต้นเพราะในพรรษาที่พวกเราเรดมหมายมั่นปั้นมือว่าในพรรษานี้ข้าเพาเจ้าจะรักษาโวสถรศีลตลอดไตรมาสสามเดือนทุกวันพระ8ดคำ่ำส15้าค่ำแต่บางคนก็จะสมาทานศีลห้าใน8ดคำ่ำสิบ้าค่ำ หรือบางคนมากกว่านั้นก่อสมาทานตลอดตรมาส3มเดือนก็มีเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่ขอให้พวกเรา ท, ทุกทุกท่านกนัตถาญาติโยมทุกคนให้ตั้งต้นใหม่เตรียมพร้อมอย่าได้หาขาดเหลือขาดตกบกพร่องที่เราได้ตั้งใจไว้นะมต่ไม่จริงก็เดือนหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเลยสามเดือนกับเพียง12วัน เราจะประกอบคุณงามความดีเพียงส2องวันในพรรษานีไม่ได้ก็รู้สึกว่าการนับถือเลื่อมใสศรัทธาได้จิตในใจของเรานีจะรู้สึกว่าจะอ่อนล้าอ่อนถอยไปก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเพราะนั้นให้พวกเราตั้งใจในพรรษาที่จะถึงที่ขณะเดียเด่ยวนี้หละเริ่มต้นตั้งแต่วันพระนีเป็นวัน เป็นวันพระแรกนะพระแรมแปดข่่าแล้วก็ขอให้พวกเราทุกทกท่านให้รั ก, รกษาศินศีลแปดหรือศินห้าให้คงเส้นคงวาสามเดือนเพียงสิบสองวันภายใพวกเร า, เาตั้งจิตเจ้าพ่อบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคือตั้งใจมั่นว่าจะรักษาสินุโบสถให้ได้นะ ถ้าเราไม่ตั้งใจมันน่ะหล่แหล้นะลูกหลานทธายาตโยมนะหลอะแหลกไปเรื่อยโกหกตัวเองไปเรื่อยเป็นกลางๆขาวๆเป็นปีๆเดือนๆไปเรื่อยหาจุดยืนไม่ได้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลอุโบสถนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพทุทสสะ สี่เลนานิผูติงยันติตัตมาสี่ลังวิโสทาเยสาตาทุต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังก่อนนั้นลูกหลานถือว่าเป็นวันปฐมฤกษ์เป็นวันรักษาศีลในพรรษาเป็นวันวันแรกนะแล้วก็วันนี้ทางคณะสงฆ์แต่สมัยรุงปู่ หลวงปู่รมญานโมลีหลวงปูจ่จันทศรีโโจันททิโพเจ้าวัดวัดโพธิสมพรท่านจะจัดบอกคณะสงฆ์สิทธิอนุสิท์ทั้งหลายเข้าไปกราบคารวะองค์หลวงตาวันนี้นะเพราะว่าเป็นวันพระแปดค่ําแรกนะท่านจะเข้าพาเข้าไปกราบวันนี้พระสงฆ์ก็คงจะเข้าไปกราบวัดคารวะ องหลงตามหาบัวตามถือตามเป็นประเพณีแต่หลวงพ่อคงไม่ได้เข้าไปเพราะว่าหลวงพ่อได้กราบครวะในวันที่17ในวันวางศีลละเลิกในวันที่เซ็นสัญญาเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแต่หลวงพ่อจะเข้าไปวันที่12สิงหานะหลวงพ่อจะเข้าไปวันเกิดของวันเกิดของหลงว ง, หลงตาหลวงพ่อจะเข้าไปอยู่ วันที่12ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อันนี้ก็ใกล้ๆกันนั่นแหละถ้าจะเข้าไปวันนี้แล้วก็สิสงิงหาเข้าไปอีกก็รู้สึกว่ า, ากระชันชิดกันเกินไป ว, วันนี้หลวงพ่อก็เลยยกมือไหว้กราบคารวะองค์หลวงตาอยู่ที่วัดของเราพร้อมกับคณะสงฆ์มู่ใหญ่ที่จะเข้าไปกราบคารวะองค์หลวงตาในวันนี้นะคงเข้าไปก็คงจะประมาณสักตอนบ่ายโมงมั้ง พอลอวัดต่างๆเข้าไปพร้อมกันแล้วก็กล่าวคํคารวะองคหลวงตารูปเหมือนหลวงตาหลว ง, งปู่มั่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นรูปเจ้าพกุลสมเด็จพระสังฆราชอยู่ที่าลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดกงจะกล่าวมหาเทเรปรมาเทนะอันนี้ก็เป็นกล่าวคำคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันนี้ วันแรมแปดค่ำแรกของเดือนการที่เข้าพรรษาทางว่าผู้ใ ด, ดาาศรัทธาญาติโยมผู้ใดอยู่ใกล้อยู่แถบละแวกแถวละแวก น, น, นั้นก็คเข้าไปพร้อมกับคณะสงฆ์ก็ดีนะก็ไปกราบพระกราบระมุดน้ำรำหัวองค์หลวงตากับคณะหลวงปู่หลวงตาต่างๆที่วัดป่าบันตาดนะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2560ออเป็นวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันพระด้วยเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาิโยมทุกคนนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวตั้งแต่น้ตตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษามาก็ให้พยายามย้ำเตือนว่าในพรรษานี้เราจะเอาอะไรี่าตะมาถึงใน8 ข้าพันสามไได้8วันนีมันมีอะไรบ้างที่เราตั้งจิตอธิษฐานแต่มันขาดตกปกพ่องไปมีอะไรบ้าง เ, าเรากราบไหว้พระทุกวันมันขาดไหมอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนดูเหมือนกันนะแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อเองก็ได้พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่กฎระเบียบหรือว่าการเคารพคารวะ ผู้น้อยผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เครราพรพคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราที่ได้รู้จักธรรมะได้ศึกษาธรรมะก็ได้คําแนะนําจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นเราจึงถือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเป็นผู้นาทางสําหรับพวกเราแต่วันนี้วันนี้นะหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับ เรื่องสมาธนะินัตตนีนะเป็นแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในการ เ, าเลี้ยงชีพเท่านั้นการเป็นอยู่เท่านั้นอย่างไม่เพียงพอตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนวิธีการคิดให้กับพวกเราคิดยังไงที่ว่าคิดเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดคิดถูกนะพูดง่ายๆคําว่าคิด ผิดคิดถูกเขาเนี่ยมันมันมีหลายระดับนะลูกหลานคณะสัตยาญาิโยมน ะ, ะตั้งแต่คิดเขียนกอไก่ผิดนะั่นนะเขียนเรียกหนึ่งผิดนะั่นนะมันมาจากนู้นเลยแต่เริ่มแต่เริ่มแรกชีวิตของเรามันผิดกับถูกผิดกับถูกมาตลอดน ะ, ะที่มันเป็นกลางกลางมันมีน้อยนะตอนนี้คำว่าผิดถูกคำนี้นะ่ะมันเริ่มต้นมา จนถึงมาถึงจุดปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวนี้แหละ เ, เราจะต้องศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรที่จะให้พวกเราคิดถูกแล้วก็ชําระกายวาจาชำละใจของเราให้ถึงมรรคผล น, ผนิพพานตามแนวแถวพระพุทธเจ้าตามแนวแถวอริยะประเพณเีที่พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า เป็นความประสงค์ของพระสงฆ์สาวกหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบที่ว่าอยากแนะนําสั่งสอนพวกเราเนี่ยลูกหลานทั้งหลายเนี่ยให้คิดยังไงจึงจะชําระจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอกีกเพราะว่าการเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น พวกเราไม่ต้องมองคนอื่นมองตัวเองเลตล่งแต่เราเกิดมาเป็นยังไงแต่ละวีแต่ละ ว, วันหิวหามาใส่ท้องแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็หิวมาใส่ท้องแล้วก็ถ่ายไปผลในสุดทั้งที่มันจะอยู่กับ เ, าเรานานผลในสุดก็แก่แก่เท่าชราไปเรื่อยๆผลในสุดก็ถึงจุดจบของชีวิตเนี่ยเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็คงจะเป็นอย่างนี้อีก ถ้าเป็นมนุษย์นะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันก็ต้องทกอย่างนี้แหละจะทำยังไงจึงจะไม่มาทกเวียนว่ายตายเกิดอีกด้วยเหตุอันใดด้วยประการใดอันนี้แหละคือว่าคิดยังไงในจุดนั้นนะอันนี้คือเราต้องศึกษาศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้า ที่เป็นบรมครูของพวกเรานะที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาไปค้นคิดเออทั้งหปีตามอยู่ตามลาพังพระองค์เออที่อินเดียที่พุทธกยาเอานั่งนั่งคิดนอนคิดเดินคิดเออไม่รู้ว่าคิดยังไงเนทะั้งหปีเออไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าตามลาพังเออนั่นแหละอันนี้ พวกเราให้ฟังฟังดูละพระพุทธเจ้าไปคุ้นคิดค้นคิดที่หลักธรรมที่มาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดประเดี๋ยวประดาวได้มาแล้วก็มาบอกมากล่าวไม่ใช่นะพระองค์มั่นใจที่ได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนิะวันนั้นแหละเป็นวันที่พระองค์ตัดสินพระทัยตัดสินใจแน่วแน่ บรรลุผลสำเร็จผลเรือกว่าได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนพระองค์ทำยังไงเนี่ยตรงนั้นเราศึกษาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาท่านแล้วแล้วนะท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นท่านนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็มือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรง จากนั้นก็กาหนดลมหายใจเข้ารู้วหายใจเข้าหายใจออกรู้่หายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าจากนั้นพระองค์ก็เกิดความติดใจสงบนิ่งเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาปุเพนิวาสานุสติญาณตอนหัวคำ่ำเที่ยงคืนจูตูปปาตยานจวนสว่างอาสาวะขยะยาน อย่าละได้ยานสามอย่างในวันเดือนหกเพนั้นอันนี้ก็คือแนวแถวของพุทธะจากนั้นพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นกับหลวงตามหาบัวเนี่ยที่หลวงพ่อได้ศึกษาหรือหลวงปู่ล่าใช่ไหมที่หลวงพ่อเข้าไดเข้าศึกษาจากท่านท่านกอแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้สิทธิอนุสิ์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ย จะเดินตามอย่างไรนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าก่อนที่จะนั่งสมาธิถ้าหาว่าเป็นไปได้นะถ้าว่าเรามีเวลาอย่างวันพระอย่างนี้รักษาศีลธรรมท า, านศีลเรียบร้อยแล้วนะ เ, เราไปหาที่พักของเราเราเขาไหว้พระสะกรหลังสวาคโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็นโมตัสะพ้าววะโตนโมสามจบ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 พอพุทธรูปเนะี่ยอย่างพวกเราเห็นนี่นะ่ะนั่งอย่างนี้แหละหรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งพับเพียบ ก, ก็ได้เพราะสุขภาพของคนเราไม่เหมือนกันถ้าบางคนนั่งขัดสมัดเนี่ยมั น, ม, นมันนั่งไม่ได้นานมันขัดมันขวางนะจะนั่งพับเพียบ ก, ก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้จากนั้นก็พอนั่งเสร็จแล้วประนมือขึ้นแล้ววางอก Why, why, ไหว้รรรครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยกครูซะก่อนเนี่ยพอเรามีครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวจากนั้นเราปรนมมือขึ้นระหว่างอกนะไหว้ครูซะก่อนพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆเนพุทโธคือพระพุทธเจ้าธรรมโมก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆก็คือ พระสงฆ์สาวกลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจนมาถึงเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบวัวเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเราก็เรีว่าสังโคเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวระลึกถึงพุทโธธรรมสังโคสามจบเสร็จแล้วก็เอามือลงพอมือลงก็กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทแต่ พวกเราคณะสัาญญาตยาธิรมุขลานได้สังเกตไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านภาวนานท่านไม่ได้บริกรรมพุโทโธนะพันท่านเป็นว่ากําหนดลมหายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนั้นแต่หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์สิทธิหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าทำบริกรรมอย่างพระพุทธเจ้ามันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่าย มันลืมมันหลงเงื่อนได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายควรจะสามทับพุทโธเขาด้วยนะวริลยหายใจเข้าออวิกรรมพุทหายใจออกวิกรรมโทนะนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการภาวนานี่แหละอั น, นี้สงด้วยวการภาวนาเนี่ยเออมันทําไม่ได้ยากทําง่ายแต่ถ้าว่าเราขับรถคนที่ขับรถเออขับไปนะ ระวังระเวียงระวังถนนท้นทางต้องใช้สติในการขับรถแต่เราผู้นั่งอยู่เฉยเฉยนั่งนั่มนั่งในรถเราก็กําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทธโทพุทโทดูใจของตนเองเอไปด้วยอันนี้ก็คือการภาวนาเหมือนกันเมื่อเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจหลายๆครั้งต่อหลายหนพอเรานั่งประจําที่อยู่ตามลําพัง เปี่ยวเปี่ยวสงบสงบนะเราก็นั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโทพุทโทพุทโทนี่แหละใจของเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขอะไรสัอสุขกายสุขใจนี่แหละวิธีการภาวนาและลูกหลานนะอันนี้สูงมากนะในการภาวนาให้ทานรักษาศีลสู้นั่งภาวนาไม่ได้นะอันนสูงแห่งการนั่งภาวนาเนี่ยได้อันนี้สงู ง, นนนนสงมากกว่านะ จากแล้วเมื่อเรานั่งภาวนานแล้วนั่งนานไหมหลวงพ่อนานนานเท่าที่จะนานได้นะแล้วก็เดินจงกรมด้วยนะ เ, เดินจงกรมก็พยายามเดินให้นานเดินกับ น, นั่งนะเนื่ในพรรษาเนี่นะหลวงพ่อเองศรัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานก็เหมือนกันในพรรษาเนี่ยนะวันแปดค่ำสิบห้าค่ำควรจะอดนอน ทดลองหนะ่อสิอดนอนไม่นอนตลอดทั้งคืนมีแต่ยืมีแต่เดินกับนั่งไม่นอนเลยรล้ว บ, บริกรรมให้บริกรรมภาวนาให้ใส่ใจพิเศษแต่อย่าไปคุยกันนะถ้าคุยกันแนละ้วไม่ดีเลยนะเพราะว่ามันจะออกไปทางสัญญาอารมณ์ต่างๆปุ่งฟุ้งอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องพูดคุยกันในขณะที่เราจะเล่งภาวนาเล่นความภาคความเพียรเนี่ย มีแต่สติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก้าวขวาขวาพุทขาซ้ายโทน เ, เราภาวนาหรือว่าเรานั่งอยู่เฉยๆกใ็ให้มีสติสัมปชัญญะเรานั่งอยู่ในอริยบทไหนเรานั่งอย่างไรในขณะที่เรานั่งอยู่นี่แหละให้มีสติอยู่กับตนเองอยู่ตลอดนี่แหละให้พวกเราทุกทกท่านนะคณะทายาิโยนี่แหละวิธีการประพฤติธปฏิบัติ ไม่ต้องพูดมากเรื่องปฏิบัตินะพูกน้อยแต่ให้ลงมือปฏิบัติเลยนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดถ้าเราพูดมากก็ ฟ, ฟันเฟือแล้วว่าไอ้คือมันไม่รู้จะจับจับต้นชนปลายยังไงนี่แต่ตามจริงสับต้นชนปลายกั น, นยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดบา ง, บางแรกกับไหว้พระ ก, พกราพราศก่อนเมืเ่อเราเราจะนั่งภาวนาถ้าถึงกุติของเรานะที่พักของเราอยู่ตามลําพังแล้ว ก, าาก ร, ราพราศก่อนอลหังสวัก ขาตูสุปฏิปันโนนโมตสับคุถังธรรมังสังขังแผ่เมตตา อ, อ, อุทิศโศนกุศลจากนั้นก็นั่งคัดสมาธิเลยนะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่งให้นานที่สุดนะ เ, เป็นทั้งสองสามชั่วโมง น, นั่งตามลําพังนะจากนั้นก็เมื่อออกจากสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศโศนกุศลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิในวันนี้ก็ขอให้เป็น วาวะมาภาวะปัจจัยขอให้ดวงวิญญาณาหรือว่าท่านผู้ใดที่เป็นผู้มีพระคุณสําหรับข้าพเจา้าได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณอันนี้เราก็อุทิศถวายอุทิศกุศลก็พร้อมกันก็ให้อุทิศทําบุญให้กับตนเองด้วยกิจการงานสึ่งไหนก็ตามที่มีอุปสรรค ของข้าพเจ้าจะได้มีอุปสรรคเน่าโดยอเนสงสินอเ น, นสงทานอเ น, นสงภาวนาของข้าพเจ้าพอให้ครับชีวิตของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความราบื่นเรียบร้อยราพรื่นจะได้มีอุปสรรคตลอดไปจนถึงมักจาเร็จมักผลนิพพานถ้าตั้งกิตอธิษฐานอย่างนั้นอีกนะจากนั้นเราก็ประกอบแต่คุณงามความดีไปเลยสิ่งไหนที่มันไม่ดีในสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิด อย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าคิดทำพูดในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วกรรมที่ไม่ดีการกระทำคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกรรมกรรมที่ไม่ดนะีจะตามสนองจะให้ผลกับเราไม่มีใครเราจะเดือดร้อนเรานั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อเราทากรรมลงไปที่ทำกรรมลงไปแล้วนั้นขอให้พวกเราทุก หลานจะทายาททุกค น, นวันนี้เป็นวันพระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอยากจะให้พวกเราประกอบคุณงามความดีจะให้ขาดตกบกพร่องในปัญษานี่นะอย่างที่หลวงพ่อได้ย้าแล้วย้าอีกว่าสามเดือนกับเพียงส2บสองวันเรายังเอาดีไม่ได้เพียงส2สองวันเราขัชักจะยาแย่ไปเสียแล้วนะมองตัวเองนะเละเทะละเดือนเกินไปเสีแล้วนะให้ขันน็อตใส่ใจสักหน่อยนะ ให้ประกอบคุณงามความดีถ้ามันขาดเราลงขอดมีความจําเป็นในวันนั้นน่ะจะทํำยังไงเอ อ, อันนั้นเราต้องเบิกถอยหลัง อ, อีกเอเบอิกถอยหลังใกล้ก็บว่าไม่ให้มันขาด อ, อถึงจะมันขาดเมื่อวานเนี่ยเอาถ้ามันขาดวันเมื่อวันนี้มันเมื่อมีโอกาสเอ่อข้าพเจ้าจะรักษาศีลทดแทนวันที่มันขาดข้าจะไหว้พระทดแทนเมื่อวันขาดเรื่องว่าเราจะทําสิ่งไหนที่มันขาดในวันนั้นน่ะ ที่เราตั้งจิตตั้งใจมั่นไว้แล้วน่ะคือให้ทดแทนอย่าให้ขาดเหมือนกับผ้ามันขาดผ้ามันขาดแล้วก็ต้องปะชุนใช่ไหมล่ะจะให้มันขาดโหโยอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะอล้ายขาดโบโยอย่างนั้นคล้ายๆบบใจของเราใจของเรามันมันนึกขึ้นมาเมื่อไหร่โอ้มันขาดนะนึกขึ้นมาขาดมันขาดก็ปะชุนใช่คล้ายๆาบบทำให้มันเต็มขึ้นอทําทดแทนวันที่มันขาดนั้น่ะ มันอยู่ในใจของเราทั้งหมดคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วมันอยู่ในจิตใจของเราทั้งหมดนั้นแหละอ้าต่อนื่ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในเสน่ห์เน่แล้วก็พร้อมกันอุทิศส่วนกุศลด้วยวันนี้ลูกหลานสัตยาญาติโยมก็มามากวันนี้แลอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคณาญาติญาตมิตรสหายท่านท่านหวงวิญญาณท่านผู้ใดตกทุกข์ยากขอให้ผลจากทก ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอค่อยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะ